จเจริญพรท่านรู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุสมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมที่พระุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้รับประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ทมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสาจะทาให้กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องและห้าให้จิตใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขนี่คือมองคล ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาดังในมงค ล, ลรัศว์ที่ได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมบัตสาวนังเอตังมังกลมุตตังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยโบราณหรือในอดีต เราจะมาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมาในวันพระกันเพราะสมัยก่อนวันหยุดทำงานของพวกเราจะหยุดในวันโกนกับวันพระคือวันขึ้นแรง15ข้าง8ข้างเป็นต้นเพราะสมัยก่อนเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือทางดวงจันทร์ดูการโคโจรของดวงจันทร์ เป็นวันขึ้นแรงแล้วก็เลยมีกำหนดให้มีวันพระวันหยุดทำงานเพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้มาเติมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะเวลามาวันก็จะได้มาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกัน แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากทางโลกได้เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เรามาใช้ปฏิทินสากลคือตามวันเสาร์อาทิตย์กันวันหยุดของเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมักจะไม่ตรงกับวันพระเราจึงไม่ได้มาวัดกันในวันพระไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้เติมความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเรา ทางวัดก็เลยต้องปรับสถานการณ์ให้ทันสมัยคือให้ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเหมือนวันพระแทนมาวัดในวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะได้มาทำกิจกรรมเหมือนกับที่มาในวันพระคือจะมาทำบุญก็ได้จะมารักษาศีลก็ได้จะมาภาวนาก็ได้จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้ วัดบางวัดนี้เขายังยึดตามธรรมเนียมเดิมอยู่คือจะมีการทำบุญเฉพาะในวันพระกันถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไม่มีพิธีกรรมต่างๆมีเพียงแต่พระออกไปบินตบาน<ม>เท่านั้นแต่ทางวัดยานเห็นว่าญาติโยมมาวัดกันมากในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะเป็นวันหยุดทาการทางานกัน จึงต้องมาวันเสาร์วันอาทิตย์แทนวันพระกันเราก็เลยถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของคนสมัยใหม่ไปมานี่ก็จะได้มาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นภารกิจหรือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง มาเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาภารกิจกิจกรรมต่างๆของทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการอาศึกษาเร่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้เรียนรู้ได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้รับผลประโยชน์อันอย่างสูงสุด ที่ไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับผู้มาเรียนมาศึกษาได้เท่ากับความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ทางโลกต่อให้เรียนจบป ร, ริญญาเอกไม่ว่าจะอยู่ในวิชาสาขาแขานงไหนก็ตามความรู้ที่เรียนมานั้นยังไม่ได้ให้ประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ ประโยชน์ที่สูงสุดที่ผู้เรียนรู้เพื่อจะได้รับคืออะไรก็คือได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ต้องมาร้องผงร้องอ้ายไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาวิตกกังวลหวาดกลัวกับเหตุการณ์กับภัยต่างๆความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้จะสอนให้เรานี้ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องวู่นวายไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆนี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ของทางโลกกับความรู้ของทางพระพุทธเจา้าของพระพุทธเจา้าต่างกันตรงที่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้เราทำใจให้ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อน กับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ความรู้ทางโลกเราให้จบปริญญาเองก็ตามก็ยังต้องร้องหหยร้องไห้จะต้องเสียใจจะต้องทุกข์ใจจะต้องมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวกับภัยต่างๆเพราะความรู้ทางโลกนี้ไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปนั่นเอง ดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคกราบอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราจะได้มาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราได้ศึกษาวิธีการรักษาใจ ทำใจให้เราไม่หวั่นไหวได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่า ง, ตางๆตอนนี้ยังกำลงกังวลกับเรื่องภัยต่างๆภัยธรรมชาติบ้างภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วนกันบ้างภัยที่เกิดจากสัตว์เดรัจฉานบ้างภัยที่เกิดจากร่างกายของตนเองบ้างร่างกายนี้ก็มีภัย ภัยที่ติดมากับร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายภัยที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลที่เรารักของเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ของเหล่านี้จะไม่มาทำให้เราเดือดร้อนได้ ถ้าเราได้ยินได้ฟังก็ทำคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้แล้วใจของเรานี้จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่ไม่มีอะไรในรลกนี้ที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้และสอนให้เรารู้จักเรื่องราวของ ตัวของเราที่แท้จริงว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครกันหนาะตอนนี้พวกเราทุกคนก็คิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะว่าเราไม่เห็นตัวที่แท้จริงของเราเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเพราะตัวที่แท้จริงของเรานี้มันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันเป็นตัวที่ทุกที่วุ่นวายใจอยู่ทุกขณะที่ดีใจเสียใจ ที่ร้องผมร้องไห้ที่หัวเราะนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงลูกน้องของใจผู้ที่ใจเป็นคนสั่งให้หัวเราะสั่งให้ร้องไห้สั่งให้ดีใจสั่งให้เสียใจแต่ผู้ที่ดีใจเสียใจผู้ที่ทุกข์ใจวุ่นวายใจนี้คือใจของพวกเราคือตัวพวกเราเนี่ จะเรียกว่าใจนี้เป็นตัวของพวกเราก็ได้ใจของเราคืออะไรใจของพวกเราก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกต่างๆนี่คือตัวเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้ที่รับความรู้สึกแล้วส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งร่างกายเป็นผู้รับรูปสีกลิ่นรสต่างๆ แล้วส่งไปให้ใจให้ใจได้เสกได้สัมผัสได้ดีใจได้เสียใจไปกับสิ่งที่ได้เสกได้สัมผัสใจของพวกเราตอนนี้ยังเป็นใจที่ไม่ฉลาดคือยังไม่รู้จักวิธีรักษาใจของพวกเราไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายใจเพราะว่าเราไปหลง ว่าเราเป็นร่างกายกันเราก็เลยไปห่วงใยร่างกายเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เราวุ่นวายกันไปหมดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้วุ่นวายไปหมดเวลาอดยาขาดแคลนนี้ก็วุ่นวายกันไปเพราะเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานั่นเองความจริงง่างกายนี้มันไม่เป็นตัวเรา และมันเป็นอะไรนี้มันจะไม่ทำให้เราวุ่นวายใจได้ถ้าเราไม่ไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกใจของเรานี้มาพบกับร่างกายตอนที่ ร่างกายนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของแม่ใจของเราที่ตายมาจากชาติก่อนคือจากร่างกายของเก่าของชาติก่อนมาหาร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของแม่ใจของเราก็เข้าไปครอบครองทันที แล้วพออยู่ในท้องได้9เดือนก็จะออกมาจากท้องแม่พอออกมาก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะเราไม่มองไม่เห็นตัวที่แท้จริงของเราเพราะตัวที่แท้จริงของเราไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีอวัยวะต่างๆเหมือนกับร่างกาย ขอให้เราย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นของร่างกายก่อนที่มีร่างกายจะมีร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราก็อยู่ที่ร่างกายอันเก่าเหมือนกับตอนนี้เรากำลังอยู่กับร่างกายอันเก่านี้เดี๋ยวพอร่างกายเก่านี้มันไม่หายใจใจของเราก็ต้องแยกออกจากร่างกายอันนี้แล้วก็ท่องไป ในโลกทิพใจนี้อยู่ในโลกทิพยท่องไปแล้วก็คอยรอจังหวะดูเวลามีใครตั้งท้องอยู่พอเขาตั้งท้องเราก็เลยเข้าไปจับจองเราก็เป็นคนใหม่ชาติก่อนเราเป็นคนนั้นพอคนนั้นตายไปเรามาเจอร่างกายอันใหม่เราก็กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมานี่คือเรื่องของคำว่า ตายแล้วไปเกิดใหม่ความจริงใจนี้ไม่ได้เกิดใหม่เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าใจไม่มีร่างกายไว้รับใช้ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เขามีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ เราจะมาวัดนี้ก่อนที่เราจะมาใจต้องคิดก่อนนะคิดว่าวันนี้วันอาทิตย์มีเวลาว่างมาวัดมาทมําบุญดีกว่านี่คือใจใจเป็นผู้คิดมาคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปเตรียมข้าวเตรียมของไปซื้อข้าวของต่างๆพอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว แล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งร่างกายนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นร่างกายของคนที่ตายไปแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่มีใครสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรแล้วเพราะว่าไม่สามารถสั่งได้เพราะหนึ่งร่างกายหมดสภาพไม่สามารถทำอะไรต่างๆได้เหมือนกับรถเสีย พอรถเสียรถก็ขับเคลื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้พอรถเสียคนขับก็เลยต้องลงจากรถแล้วก็ไปหารถใหม่ไปขับรถคันใหม่ใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถส่วนร่างกายของพวกเราเนี่เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้มันมีอายุไม่ยาวเหมือนกับคนขับคนขับนี่มีอายุถึง 80-90 ปี แต่รถยนนี้ใช้ไปได้ไม่กี่ปีมันก็เสียมันก็พังเหมือนกับใจกับร่างกายร่างกายนี้ก็มีอายุอยู่ไม่เกินร้อยปีก็หมดสภาพแต่ใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดสภาพเมื่อใจยังต้องใช้ร่างกายทํานู่นทํานี่อยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เหมือนกับเวลาที่รถของเราเก่ารถของเราเสียซ่อมไม่ได้ต้องขายทิ้งไปแต่เรายังต้องใช้รถอยู่เราก็เลยต้องไปซื้อรถคันใหม่เหมือนกันร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ใจนี้เป็นเหมือนคนขับตามใดที่เรายังต้องใช้รถยนต์อยู่ตาบนั้นเราก็ยังจะต้องมีร่างกายแล้วเมื่อเรามีร่างกายเราก็จะต้องมาทุกขกับร่างกาย เหมือนกับที่เราต้องทุกกับรถยนต์พอเราซื้อรถยนต์มาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาเราก็ต้องวิตกกังวลกลัวรถจะหายบ้างกลัวรถจะไปชนไปไปเกิดอุบัติเหตุบ้างแล้วเราก็ต้องหาเงินมาซื้อน้ํามันหาเงินมาซ่อมรถยนต์เวลาเงินเสียถ้าเราไม่มีรถยนต์เราก็ไม่ต้องมา วุ่นวายกับการดูแลรักษารถยนต์ไม่ต้องหาเงินหาทองมาซื้อน้ํามันมาซ่อมรถยนต์ฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันพอเรามีร่างกายอันนี้แล้วเราก็ต้องมีภาระเราต้องมาดูแลรักษาร่างกายมาทุกมาวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายทุกกับการหากินหาอยู่ทุกกับการดูแลรักษา ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายคนที่ไม่เคยคิดเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เห็นว่าเกิดมานี้เกิดมาเพื่อมาแบกกองทุกข์กันเพราะเรามีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้ทำได้ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นเวลาเราได้ไปเที่ยวเราก็มีความสุข เวลาที่เราได้ทำอะไรที่เราอยากทำเราก็ได้ความสุขเวลาเราอยากได้อะไรเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็มีความสุขเราก็เลยคิดว่าการมาเกิดนี้เป็นความสุขแต่พอเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มานี้เวลานั้นความสุขกับกลายเป็นความทุกข์ไปได้มีมีข้าวของเงินทองต่างๆ พอสูญเสียเข้าของเงินทองไปก็ร้องห่มร้องไห้ได้คนรักมาพอเสียคนรักไปก็ร้องห่มร้องไห้ได้ลูกมาพอเสียลูกไปก็ร้องห่มร้องไห้ต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ก็กทุกเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายจะตายก็ยิ่งวุ่นวายห่ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ เพราะไม่อยากจะตายกันนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ยอมคิดกันเกิดมาเราก็มีแต่พยายามหาความสุขเพียง อ, อย่างเดียวอยากได้อะไรก็พยายามไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วพอได้มาแล้วก็มีความสุขกับมันไปจนกว่ามันจะจากเราไป ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาในที่สุดเราจะต้องจากเขาหรือไม่เะนั้นเขาก็ต้องจากเราไปเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นก็เป็นเวลาที่มีความทุกข์ใจกันคนฉลาดถ้าคิดอย่างนี้เขาก็รู้ว่าการมีร่างกายกายมาเกิดนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุข คนชราก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่เจ้าชายสิทธัตถะตอนต้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะอยู่ในวังนี้พ่อแม่พ่อแม่ยอมให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาในวังให้เอาแต่คนหนุ่มคนสาวคนรูปร่างหน้าตาดีๆหน้าตาสวยงามเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาไว้ในวัง ทำใหเ้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลงคิดว่าโลกนี้เป็นโลกเป็นแบบนี้มีแต่ของที่ดีของที่สวยของที่งามแต่พออยู่ในวังไปนานๆก็อยากจะออกไปดูที่นอกกำแพงว่าข้างนอกมีอะไรบ้างวันหนึ่งก็เลยหนีออกไปพอไปข้างนอกก็เลยไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ต, ตอนต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพร่ะไม่เกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยถามมหาเล็กท evet ี่ติดตามไปว่าคนนี้เป็นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นคนแก่ต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นคนนอนเจ็บร้องควนคลางก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรมหาเล็กก็บอกว่าเขาเป็นคนเจ็บไข้ไน้ป่วยต่อไปท่านก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน แล้วก็ไปเห็นคนตายเขาแบกไปเผาก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นคนตายเมื่อก่อนเขาก็มีชีวิตอย่างพวกเราแต่ตอนนี้เขาไม่หายใจแล้วเขาตายแล้วเขาจะเอาร่างกายนี้ไปเผาเพราะเก็บไว้มันก็จะเน่าเหม็นร่างกายของท่านก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทราบความจริงนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้ตื่นขึ้นมาจากความหลง คิดว่าตนเองนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายคิดว่าตนเองจะมีความสุขอยู่ในวังไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าต่อไปพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้อีกต่อไปเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยเห็นว่ามีร่างกายนี้มันทุกข์ เลยคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ทุกขกับร่างกายอันนี้น่าทำอย่างไรที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ไปเห็นนักบวชก็ถามมหาลัยว่านักบวชนี่เขาทำอะไรเขาก็บอกว่านักบวชนี่เขากำลังหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเขาจะหาวิธีที่เขาจะไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย พอได้รู้ว่ามีโอกาสมีทางที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะออกไปหาทางหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อพระมเหสีได้ทอดพระราชโอรัน องก็ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถไปได้เพราะความรักความห่วงลูกก็เลยทรงตัดสินพระไทยไม่ไปดูลูกในคืนนั้นแล้วก็หนีออกจา ก, กวังไปแล้วก็ไปบวชอยู่แบบนัก บ, บวชศึกษากับครูอาจารย์ต่างๆจนในที่สุดก็สามารถที่จะทำใจให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่ต้องกลับมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปได้นี่คือคนฉลาดซึ่งต่างจากพวกเราที่เป็นเหมือนคนงองพวกเราแทนที่จะคิดว่าการมีร่างกายนี้เป็นความทุกข์เรากลับอยากจะมีร่างกายกันอยากจะมีร่างกายสวยๆหน้าตาดีกันแต่เราไม่เคยคิดว่าต่อให้สวยขนาดไหนดีขนาดไหน ต่อไปมันก็ต้องกลายเป็นคนแก่คนเท่าหนังเหี่ยวย่นผมขาวผมหงอกหลังค่อมเดินต้องใช้ไม้เท้าเดินนี่คืออนาคตของพวกเราและต่อจากพานแก่ก็จะนอนเจ็บไข้ด้ป่วยร้องโอดควรครามงแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นศพไปนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่คิดกันไม่ยอมคิดกันไม่อยากจะคิดกัน พอคิดแล้วทําให้ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะโง่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดแล้วเราก็จะได้ฉลาดจะได้รู้ว่าเรามีปัญหารอเราอยู่ข้างหน้าเราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ให้ได้ซึ่งถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธีแก้ปัญหาของพวกเราได้เราจึง โชคดีที่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนามาเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรานี้ปฏิบัติทำใจให้อยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้ทำให้พวกเราหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้วิธีที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นได้ก็คือให้เราทำทานให้เราสละทรัพย์สมบัติ ต่างๆให้หมดไปอย่าอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันไม่ของไม่เที่ยงไม่จริงวันไหนถ้ามันหายไปวันนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือวันไหนถ้าเราไม่สามารถใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราแก่เราก็จะต้องทุกข์กับมัน ภพตเจ่าสอนว่าเลิกหาเงินเลิกใช้เงินเงินที่มีก็เก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็เอาไปให้คนอื่นหรือว่าถ้าไม่อยากจะใช้เงินเลยก็ไปบวชไปอยู่เป็นนักบวชนักบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้เงินเพราะว่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ มันก็จะวนเวียนอยู่กับความทุกข์กับการหาเงินใช้เงินอยู่แนี้แล้วพอแก่เจ็บตายก็หาไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็จะเกิดแต่ความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าบอกให้เราเลิกหาความสุขแบบนี้แล้วมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเพราะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองก็คือการทําใจให้สงบ มานั่งสมาธิมาบริกรรมพุทโธพุทโธกันถ้าเรานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธได้ใจของเราก็จะสงบได้แล้วใจของเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายซื้อความสุขต่างๆเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อนและเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ใจของเราที่มีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการมาเกิดแก่เจ็บตายวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายคือการทำใจให้สงบด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธให้เราหมั่นระลึอกอยู่เรื่อยๆทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเลื่อยเกิยคิดแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจสู้ให้คิดแต่คำพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะเย็นจะสบายและพอนั่งหลับตาใจก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการฟังเทศฟังธรรม ที่เราจะได้รับประโยชน์คือได้ยินได้ฟังเรื่องของชีวิตของพวกเราเรื่องของจิตใจของพวกเราที่อยู่กับเราที่เป็นตัวเราแต่เรากลับไม่รู้จักตัวเราเพราะเราเป็นเหมือนร่างกายถ้าไม่มีกระจกส่องหน้าเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรที่เรารู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรก็เพราะว่าเรามีกระจกไว้ดูแต่ใจของเรานี่ มีกระจกแต่พวกเราไม่ดูกันเพราะเราไม่รู้ว่ามีกระจกให้เราดูใจได้กระจกที่จะดูใจก็คือคำสอนของพพระพุทธเจ้านีเองฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะรู้จักตัวของเรารู้จักใจของเรารู้จักความสุขความทุกข์ของใจของเราว่าเกิดจากอะไรนี่คือการมาดูตัวของเราดูใจของเรา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมพอเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุขนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและขานสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีระะัาตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้ามาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย